Thank you. ภาพพันสองพันหนะ้าร้อยหกสิบเอ็ดการบรรยายที่ยุคูุ้ชุนสองวันนี้เป็นวันที่ห้าของการปฏิบัติซึ่งมาถึงข้อหลังนะข้อหลังเรื่องต้นๆก็คงไปเยอะแล้วสร้างความเข้าใจจนนำไปสู่การปฏิบัติส่วนที่เหลือก็แค่ไหนแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ละท่าน ยังเหลือเรื่องสําคัญสําคัญอยู่อีกซึ่งก็ยังมีวันนี้พรุ่งนี้เมื่อกี้เราเห็นในสื่อของเกาะพลวยเนี่ยที่สํานักเนี่ยขึ้นว่าต้องไปปฏิบัติตามทุดงขวัตทีนี้ก่อนที่เราจะรู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรทุดงขวัตเนี่ยมารู้จักกันก่อนว่าทุดงขวัตสิบสามเนี่ยคืออะไรที่พระพเจ้าบัญญัติเอาไว้ นี่ก็จะย่อมาให้ดูสิบสามข้อเพื่อให้เห็นว่าทุตดงควัตสิบสามคืออะไรนุ่งหมผ้าบางสุกุลเป็นวัดนะคำว่าผ้าบางสุกุลก็คือมาจากศพนะในสมัยพุทธกาลก็คือไปเก็บมาจากผ้าห่อศพซักๆแล้วก็เอามาย้อมแล้วก็ใช้ได้เลยเอามาเย็บๆแล้วก็ใช้คือไปเอาผ้าห่อศพมาใช้นี่คือทุตดงควัตข้อที่หนึ่งแต่วันนี้ก็คงไม่มีแล้วละ่ะมีแต่ชาวบ้านถวายก็ใช้ไม่ ไ, มไหวแล้ว นุ่งผมผ้าสามผืนเป็นวัดคาว่าผ้าสามผืนไม่ใช่สามชุดแบบพวกเรามีสามชุดนะไม่ใช่นะผ้าสามผืนก็คือสบงจีวรสังคาติก็คือหนึ่งชุดนะหนึ่งชุดมีชุดเดียวนะถือชุดเดียวนะถ้าคาําถามมาท่านในใจคืออาวสักละ่ะก็ชุดเดียวจะทำอะไรก็ทำเลยซักก็นั่งร้อยหแห้งก็ได้คือชุดเดียว ถือบินทบาตเป็นวัดถือบินธบาตตามลําดับบ้านเป็นวัด เ, เราอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปเป็นพระแล้วก็เดินบินธบาตตามลําดับบ้านที่อยู่สมมติว่าพระป่าแต่วันนี้ทุกแบบมันก็ไม่ค่อยป่าแล้วนะแต่ก็เอาเถอะต้องเดินตามลําดับบ้านคือบ้านนี้แล้วก็ไปบ้านนี้ บ้านนี้แล้วก็บ้านนี้สมมติว่าตรงบ้านหลังที่ห้าเป็นบ้านคนมีตังทาอาหารปลานีดถ้าเดินหลังที่หนึ่งสองสามแล้วหลังที่ห้ายืนรอใส่แต่อาหารพอแล้วปิดฟ้าบาทกอล์ฟนะพอมิวจะเอาไปทิ้งทำไมเพราะฉะนั้นโอ้โห อ, อนุนั่นเดินข้ามไปไม่ได้นี่ไงเช่นจึนเป็นการขัดเกลืเลนท่านอาจจะนึกไม่ออกนะ วันนี้เรามีกินมีอยู่เนะี่ยอยู่ในกรงเทพ ม, ม, เ ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันไม่รู้เรื่องกินมีกินมีอยู่เฉะั้นการตามใจตามใจตามใจไปเรื่อยๆมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องหมือนการกลายเป็นความเคยชินที่โลภะเนี่ยพร้อมจะขึ้นมาประโยชน์กระโดดขี่ได้ทุกเมื่อแต่ถ้าช่วงที่นี่คือการที่โดนขัดเกลาร์คำว่าขัดเกลียดคือไม่ได้อะไรตามใจเลยขณะที่เมื่อไม่ได้อะไรตามใจเนี่ยมันจะวูบขึ้นมาเลย เมื่อวุ้ไปก็รักกันไปเองอยู่ไปทุกวันทุกวันทุกวันก็กลายเป็นความเคยชินไปตามธรรมชาติก็ไม่เป็นไรก็แค่เดี๋ยวก็กลับไปก็ฉันฉันก็อิ่มอิ่มแล้วก็จบร้างบายก็เลิกจะอร่อยปลานีบแค่ไหนก็ต่อให้อาหารเต็มโตะเลยนะผมนั่งคุยกับพระทุดดงท่านนัคุยกผมอาหารเต็มโต้เลยอาจารย์ท่านก็บอกว่า ผมตักมาเนี่ยนะวันนั้นท่านไปอยู่วัดหลวงพ่ อ, อผมตักตักตักใส่ปากเสร็จจากนั้นผมก็ตักใส่ปากไอ้ที่บอกเต็มโต๊ะไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับไอช้อนผมที่ใส่เข้าไปในปากนี่เลยไม่มีผลอะไรต่อผมเลยผมก็ตักอีกี่คำอ่านก็จบล้างไปต่อให้จะลองไนเดินเทินทึก วิจิตทพิสดารสวยงามแค่ไหนอร่อยปลาณนี่แค่ไหนพออยู่ในบาตรผมก็คุกรวมกันแล้วก็ฉันฉันฉั น, ฉ, นฉันจบแล้วก็เลิกล้างบาตรกลับไ ป, ไปภาวนาต่อไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวอะไรเลยนี่นี่ปฏิบัติจนทุกอย่างนิ่งสนิทไม่มีอะไรขยับเลยนี่คือผลของตุดงควัตที่ขัดเกลากิเลสพวกเราลองสิไปเดินสิอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่พันห้าร้อยบวกบวกดูสิ จะสนิทยอย่างท่านไหมละ่ะตักมาถึงโอ้เดี๋ยวเดกินทีดด่ดีเสร็จก่อนหรือไอน้นู่นอีกนะมิฉลินสตาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องกิเลสอดกันไม่อยู่เราปิ้นกันไม่ได้สุดนะต้องเข้าใจนะแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยเราอาจจะดูว่าไม่มีอะไรลองไปอยู่ที่จะได้รู้ว่ามันมีอะไรชันะ้นมือเดียวเป็นวัดถ้า คนที่อยู่กับมือเดียวเืาจะกินไปทำไมเนี่ยเย็นเนี่ยอาจจะอ้วกนอนก็บมีหลับเออบอาจนะฉันในบาทเป็นวัดอันนี้ก็ขัดเกลอกินเลดขั้นรุนแรงเลยลนะ่ะผมเคยเปิดคอร์สแล้วก็มีแม่ชีพิษูณีอะไรเนี่ยมาเข้าคอร์สนะมันก็มีโอกาสออกมาแสดงความรู้สึก ท่านก็บวชมายี่สิบสมสิบปีแล้วผมจำได้ท่านบอกว่าความปรารถนาของทิกสุนีวันนี้เนี่ยของตัวท่านนะของตัวท่านก็คืออยากฉันกุวยเที่ยวรลล้อนสักชามนะอันนี้ท่านพูดเองนะผมไม่ได้เอาวาอะไรนะแต่ผมผมฟังแล้วผมก็เห็นใจท่านเลยนะผมนึกภาพท่านออกเลยเพราะตลอดชีวิตของการบวชยี่สิบปีเนะี่ยท่านฉันได้บาด ก๋วยเตี๋ยวญาติโยมจะใส่มาเท่าไหร่เดินบินทบาทกว่าจะกลับมาถึงกว่าจะสวดเสร็จกว่าจะมันเย็นหมดพอเย็นหมดก็เทพลวดลงไปก็ปนกันหมดอะสลงสลิมแล้วก็ลงไว้อยู่ในนั้นหมดแล้วก็นั่งฉันจะไปหาร้อนจากไหนใครจะมานั่งอุน่นพราถึงทุ ด, ดงอ่านี้เน่ยท่านอาจจะยินกดไม่สุดแต่ก็เอาอาจจะสุดแล้วจะไงความปรารถนา ันได้ฉันก็เกี่ยวลอดคือจะแยกถ้วยออกมาก็ไม่ได้ไงคือถ้าคนมาถวายกล้วยเตี๋ยวเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าฉันในบาทอะ่ะเป็นวัดน่ะต่อให้มาถวายก็ต้องเทกลับอ้ามโหน้ีเจ้านี่อร่อยมากเลยถวายสามสบนะรดูดนะอะไรอร่อยอีกนะมาเลยโอหน้ําจีนน้ำยาร้านนี้นะรวด่ะมา ก็้โทับถิมกรอบนีนะหอมหอมไอ้ที่เขาลมอะไรนะลมควันน่ะพรวดอร่อยมากทีเนี้ยเอาสินะนี่นะนี่ะของจริงนะคัดกันกิเลกกับหัวหลุดนะนะอยู่ได้ก็อยู่ร้อยล้มเลยละหลุดเลยนะไม่ต้องอะไรไม่ติดรถติดชาติอะไรทั้งนั้นละเหลืออย่างเดียวละฉันให้ จบอิ่มจะได้มีแรงไปภาวนานะเวทนาเก่าคือความหิวจะได้หมดไปแล้วก็ไม่สร้างเวทนาใหม่ขึ้นมาอีกห้ามพระาหารที่เข้ามาถวายภายหลังพอพิจารณาอาหารเสร็จนี่อ้าวเพิ่งมาถึงหลวงปู่ก็ท่านจะไม่ให้สีน้ําใจก็รับไว้แต่ก็พอเขอหาหันหลังลก็วางเลยแล้วก็ส่งรู้สึกไปเลยฉันตอบนะไม่ฉันอาหารนอกจากที่พิจารณาแล้ว ทีธุดงควั์ตนะแต่ถ้าครูบาอาจารย์บางทีท่านก็ยืดหยุ่นเพราะว่าชาวบ้านนะก็รับไว้ฉันฉันให้เขาหน่อยช้อนสองช้อนนะเดี๋ยวหมดกำลังใจนะคนนะนะอุตสาห์ตื่นแต่เช้ามาไม่ทัน น, นั่นเะองเขามกฉันให้อยู่ป่าเป็นวัดอยู่คนไม้เป็นวัดนะ เอาละเราก็เห็นพระสุโธงท่านอยู่โคนไม้สําหรับเราเนี่ยอาจจะดูก็อยู่ป่าอยู่โคนไม้ก็เหมือนกันก็ไม่ถึงก็เหมือนกันหะนะอยู่ป่าก็คืออยู่ปกติแต่อยู่โคนไม้นี่นั่งที่พื้นเลยนะคนกรุงเทพลงไปนั่งที่พื้นต้นไม้ดิมื ด, ม, ดมืดในป่าแล้มดอาจารย์ถามใครอะ่ะลุกวันนั้นเมื่อกี้เดินยังเห็นตะขาบเห็นอะไรเลยแล้วแ้วนั่ ง, น, งนั่งเกิดมันชัก็มาลุกได้ไหมล่ะ โอ้ยจะถามใครอยู่เนี่ยเป็นนั่งไปเนี่ยพวกอินซีอ่อนๆเนี่ยเรื่องมันเยอะพวกอินซีแก่ไม่มีใครว่าคุยกันหรอกไ ป, ไปหาที่นั่งที่ไหนก็ไปนะถือกดอันก็ไปได้แล้วไม่ต้องมาถามอะไรมันวุ่นวายไม่มีใครก็มาถามอะไรกันคือลูกแง่ลูกแง่กระจ๊อกกระจ๊อกกระจ๊อกอยู่างนี้มนไม่ไหวก็โอ้ยทาไงอ่ะช่ทําำไงก็ไปอยู่ศูนย์สองนี่สิ จะทําไงโธ่ก็ที่นั่งกันอยู่อย่างนี้เราก็ทําไงอีกอะก็ถึงที่อยู่แต่อยู่กันอยู่ตรแนี้แค่นี้ไงจะไปไหนล่ะไปไหนก็ไม่กล้าสักอย่างก็อยู่ที่แหละก็ดีแล้วไปทางโน้นนี่เป็นปัญหาให้ทีมงานเพิ่มมดเยอะแล้วเ power b a n ์จะชาร์จที่ไหนแล้วกูจะรู้ไหมทีหลังก็โซล่าเซลล์ไปดิโซล่าเซลล์ไปเองเลยดิว o w e r bank ก็อยู่เจ็ดวันก็ไปตั้เจ็ดอันเลยงั้นใช้ไปวันละอันแมมีทุกเรื่องะมีน้ำกินไหมมีน้มกินมีเพราะไม่มีจะทีมงานตายก่อนแล้วอยู่กลางแจ้งเป็นวัดอ่ะเมื่อกี้ทำไมข้อนึงบอกอยู่คนไม้ให้ไปอยู่กลางแจ้งแล้วเพราะว่าผู้ดงควัตเนี่ยมีไว้ขัดเกลาิเล็ดพออยู่กุฏินานๆมาทำท่าจะติดกุฏิไม่ยอมออกนะ ออกไปอุรอนู่นเลยไปนั่งกลางแดดนะคือหมดอะติดอะไรไม่ได้สักอย่างนะเนี่โยโหี้เดี๋ยวก็เป็นไข้มัก็ไปอยู่บ้านไปเปิดแอร์อยู่บ้านเอะไรนะไม่มีใครว่าอะไรเลยก็ใครจะไปว่าอะไรนะมันเป็นที่สําหรับคนที่เขาไปลดละเลิกสภทดงทําไมต้องออกคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รู้ว่าทําไมต้องออกไป เพราะวันนี้อยู่กันจนแฉะแบะเละเทะหมดแล้วทําไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่ยังเป็นชาาชายสิทธัตถะจึงออกไปอยู่กลางป่าคนเดียวอยู่ป่าช้าเป็นวัดวันนี้ก็แทบจะไม่เหลือจริงๆป่าช้าเนี่ยนะไม่มีเหลือแล้วที่จะมาเป็นอ่าอะไรนะแท่นอะไรที่เผาไม่มีเหลือแล้วถือกตนอยู่ตามที่เขาจัดให้เป็นวัด สมมติเราไปเนี่ยอย่างที่สํานักเนี่ยทีมงานก็คงไม่ได้มานั่งจัดให้ใครเราเพราะเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วทำไมได้กุฏิเล็กแนตะ่ทำไมไม่ได้แบบมีห้องนะมีฉลากอันหยิบได้อันไหนไปอัา น, น, นั้นเลยนะง่ายสุดไม่ต้องใครจะมีอ่ะเราบอกให้เลยว่ามีเฉพาะผู้มีอุปการะคุณต่อสํานักที่บริจาคสร้างกุฏิก็ดีสร้างอะไรไปหลายหลาแสนเนี่ยนั่นแ่ะที่จะมีรายชื่อเป็นผู้มีอุปการะคุณ ซึ่งเราจะจัดให้เลยซึ่งเราต้องยอมรับว่าบุคคลเหล่านี้ถ้าไม่ช่วยสํานักสํานักนี้เกิดไม่ได้ภาพที่ท่านเห็นเนี่ยการก่อสร้างอยู่กลางเ ก, กาะกลางทะเลซึ่งสาธารณูปโภคลําบากมากแต่ทําไมสร้างถ้ามีคนไปทุกคนจะต้องพูดเหมือนกันคือที่นี่ขึ้นมาอยู่วันนี้ได้ยังไงอยู่วันนี้ได้งไง เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผู้มีอุปการะคุณสํานักนี้ไม่สําเร็จไม่สําเร็จตัวเลขที่ใช้เงินไปตอนแรกก่าไว้ไม่เท่าไหร่ชีรุ่นสองร่วมกันบริจาคมาสิบกว่าล้านคิดว่าเหลือแล้วสร้างเสร็จจริงๆตัวเลขคือสี่สิบกว่าจะเสร็จเนะียเพราะทุกอย่างหมักไปหมดเลยตอนนี้กําลังขยายสํานักเพิ่มเพราะว่าต้องการจะให้เป็นที่ที่คนสามารถไปโดยไม่ต้องเปิดคอร์สคือ สมมติท่านบอกว่าสองสัปนี้ว่างจะไปปีวิเวไปได้เลยต่อไปไม่ขึ้นกับคอสํำนักต้องการจะไปปฏิบัติภาวนาส่วนตัวเลยมีสถานที่รองรับอาหารก็มีที่เขาขึ้นมาส่งปินโตให้แค่ท่านต้องปฏิบัติภาวนาไปเองอยู่กับตัวเองเอาชนะใจตัวเองไปเองผมจะอยู่ผมก็จะบรรยายให้ถ้าผมไม่อยู่ไปเดี่ยวยวไปเลยมันเข้าป่าคู่ดงเองเลย ดัน้นก็จะมีพวกอเราจะก็ไม่อยากจะใช้คำว่าอินทรีแก่หรอกทุกคนก็ไปกันคนกลัวทุกแยกลัวอะไรเขาก็ไปกันทั้งนั้นอ่ะไปไม่อยู่ได้ทั้งนั้นแหละพอพอเริกไปจริงๆทุกคนก็ทีนี้ลงแต่คอสที่นี่อย่างเดียวนพอรู้แล้วว่านี่แหละที่มันจะเป็นการฝึกตนจริงๆไม่ใช่มาอยู่ภายใต้กฎระเบียบอะไรเยอะแยะมากมายมันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เอาชนะใจตัวเองให้ได้อยู่กลางสถานที่ที่พระเจ้าถึงจะบอกว่า นั่นโคนไม้นั่นเลือนว่างนะพวกเธอจาเข้าไปอยู่ในป่ารกชัดนู่น mm hmm. กลัวก็ไปเอาชนะความกลัวกันไปเองไม่ต้องมา น, นั่งฟังกันอย่างเดียวนะอบรรยายผมก็บรรยายให้ฟังอยู่แนละ้วเช้าทีกลางคืนที น, นอนนั่นก็ไปเลยเดินป่าผุ ด, ดงปักกดตรงไหนไปนะถามชีดูก็ได้นะใครอยากจะถามว่าชีก็อยู่มันหลายทีหนึ่งหลายเดือนเนะี่ยอย่างเนี้ยชีหนิงเนี่ยเห็น ขาวๆดูสะอาดๆก็ดูไม่น่าเหมือนชีตามวัดอะไรนะจริงๆก็ไม่ใช่ชีตามวัดอะไรก็เพิ่งจะบวชเมื่ออุบาสิการุ่นที่สีนี่เองนะแต่บวชแล้วก็ไม่ขี้จะศึกแล้วบวชแล้วก็ไม่สึกแล้วนี่ก็ออกมาสแสวงหาความรู้ฟังครูบาอาจารย์บ้างเลยเดี๋ยวก็กลับสํานักลกลับสํานักเวลาอยู่ก็อยู่ที่สํานักกุฏิเล็กๆ เ, เดินขึ้นไปตื่นตีสามเดินขึ้นไป สวดมนต์ฟังธรรมกิโลหนึ่งขึ้นเขาเสร็จแล้วก็เดินกลับลงมาทามําการสาดเสรจเดี๋ยวก็เดินกลับขึ้นไปชั่วโมงนึงเดินขึ้นเดินล ง, นงไม่มีบนไม่มีอะไรข้างในก็ไม่มีบนเรียบภาวนากลายเป็นยิ่งลำบากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกถึงคุณค่ายิ่งรู้สึกถึงคุณค่าคืออปปินสบทสามเป็นวัดอันนี้เราก็ได้ยิน คุณเคยกันในชื่อของเนสันชิกเนสัญชิกคือการถืออิริบทสาไม่ไม่นับอิริบทเอหลังลงนอนนะครคือไม่มีการเอหลังลงนอนอันนี้ก็ไม่ได้บังคับอะไรแต่ส่วนใหญ่ที่จะบังคับก็คือทุกวันพระเท่า น, นั้นเองทุกวันพระผู้ปฏิบัติหรือว่าอุบาสิกาที่เข้าไปบวชในโครงการก็จะเนสัญชิกกันเป็นปกติเนสัญชิกกันเป็นปกติก็คือไม่มีใครเอหลังลงนอนก็คือภาวนาทั้งคืน ก็ไม่ใช่ว่าไปรอนอนตอนเช้านะหล <DA> ายคนก็อึดหน่อยแล้วเดี๋ยวเช้ากป็ไปนอนไม่หรอกเชา้าเดี๋ยวก็เป็นออกไปบินพอบินเสร็จก็กลับมาฉันฉันแล้วก็เดียมีงานต้องทําปัดกวาดสําสนักเสียถูก็คือข้ามไปวันหนึ่งผมนีงจําได้สมัยเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยทีมงานเนี่ยพวกชีรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาเน้นชิกกันวันเว้นวันนะก็ท้กวันเว้นวันแปลว่าอะไรแปลว่าอยู่สี่สิบแปดชั่วโมงแล้วนอนทีหนึ่ง อยู่48ชั่วโมงนอนทีหนึ่งคนทั่วไป24ชั่วโมงนอนทีหนึ่งแต่พวกนี้48ชั่วโมงนอนทีเดียวแล้วก็อีก48ชั่วโมงค่อยนอนอีกทีหนึ่งแล้วก็อยู่กันก็เห็นก็ไม่เห็นเป็นไรนะไม่เป็นไรน้าหนักลดอะไรแต่มันก็ลดอยู่แล้วล่ ะ, ะก็ลดอยู่แล้วก็ลดก็ดีเอาละนี่ก็คือทุตดงขวัติ13 เราก็พอจะได้รู้จักกันบ้างเพราะเราก็คงไม่เคยรู้จักอ่ะมันก็คงไม่ใช่สิ่งที่เราเคยคุ้นทีนี้มาถึงคำถามที่ว่าก็ในเมื่อปฏิบัติสบายๆก็บรรลุได้ไม่ใช่เหรอทำไมต้องลำบากด้วยเอาละนะคำถามนี้ผมจะไม่ตอบแะแต่มีคนเคยถามมาก่อนแนละ้วเมื่อปีพศออ500ที่2560 เมื่อตอนปีพศออ500คำถามนี้ถูกถามมาแล้วโดยพระเจ้ามิลินถามพระนาคเกษจนเป็นที่มาของมิลินทปัญหา 1,000 คำถามซึ่งนี่เป็นหนึ่งในคำถามนั้นลองฟังดูว่าพระเจ้ามิลินก็คงสงสัยเหมือนกับที่เราสงสัยพระนาคเกษซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่ผู้เจ้า เคยพยากรณ์ว่าจะออกมาตอบคำถามทั้งหมดที่เป็นข้อยากยากในพุทธศาสนาเอาไว้จนหมดสิ้นเลยหนึ่งพันคำถามแล้วผูกจารึกมาจนถึงวันนี้เลยมิลินท ป, ปัญหาทุดงค่ะคุณพระเจ้ามิลินได้ทรงเห็นพวกภิกษุที่ถือทุดงอยู่ในป่ามีอยู่ ทั้งรู้ว่าคฤหัสถ์ผู้ได้สําเร็จอนาคามีมีอยู่จึงสงสัยว่าถ้าคฤหัสถ์ก็สําเร็จทําได้ทุดงก็ไม่มีประโยชน์อันใดเราจักถามประโยชน์อันใดเราจักถามถึงพระศาสนาอันละเอียดอันย่ำยีเสดุ้ยถ้อยคําของผู้อื่นอันเป็นของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงสแสดงไว้เพื่อให้สิ้นสงสัยของเราครั้นทรงดำเรตดังนี้แล้ว จึงได้รีบทรงสเสด็จไปหาพระน้าเกษด้วยความรีบร้อนเหมือนกับโคที่กระหายน้ําเหมือนกับคนที่หิวข้าวหรือเหมือนกับพระภิกษุผู้ต้องการความดับกิเลสฉะนั้นสมงดำริดังนี้แล้วจึงได้ตรัสถามขึ้นว่าข้าแต่พระน้าเกษข้ารหัสได้สําเร็จนิพพานมีอยู่หรือมีอยู่มหาบาพิษมีอยู่มากทีเดียวนับเป็นร้อยหมื่นแสนล้านโกรธไม่ได้ ขอพระคุณเจ้าทรงแสดงให้แจ้งด้วยเถิดถ้าอย่างนั้นอตาตมาภาพจะแสดงถวายคือประธรรมในพระพุทธศาสนาอันประกอบด้วยองค้าย่อมรวมลงในทุดงทั้งนั้นเหมือนกับน้ําฝนที่ตกมาทั้งสิ้นย่อมไหลกระรวมกันที่มหาสมุทรฉะนั้นอตาตมาภาพจะจําแนกเนื้อความข้อ น, นี้ให้แจม่มแจ้งเหมือนอาจารย์เลขผู้ฉลาดสอนเลขให้ลูกศิษย์ฉะนั้นขอถวายประภอร ที่กรุงสาวัตถีมีอริยาสาวกห้าโกดมีอุบาสกอุบาสิกาตั้งอยู่ในอนาคามีผลถึง 357,000 พวกนั้นล้วนแต่เป็นคฤหัสถ์ทั้งนั้นไม่ได้เป็นบัณประชิตเลยยังไม่อีกคือคราวที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหารก็มีพวกคฤหัสถ์ได้บรรลุมรรคผลถึง20บโกดพระพุทธเจ้าไม่ว่าประทับอยู่ในที่ใดๆโดยมากมีเทพบดามนุษย์ ได้สำเร็จนิพพานในที่นั้นๆราวละสองถึงสามหมื่นตลอดถึงคราวละแสนเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นเป็นพวกคฤหัสถ์ทั้งนั้นถ้าฟังแค่นี้ยิ่งตอบย้ำก็ไปใหญ่ยังยังไม่จบข้าแต่พระนากเกษมถ้าคฤหัสถ์สามารถสำเร็จนิพพานได้ทุดองคคุณสิบสามก็ไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าความเจ็บไข้หายไปได้ด้วยการร่ายมนก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับยาถ่ายถ้าการกินอยู่ของตนดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องเที่ยวขอผู้อื่นข้อความเหล่านี้ฉันใดข้าแต่พระนาคเษนถ้าคฤหัสถ์สำเร็จนิพพานได้ก็ไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องถือทุดงคขคุณขอถวายพระพรพวกคฤหัสผู้ทำให้แจ้งซึ่งนิพพานทั้งสิน้น รวนได้กระทำทุดงก็คุณสิบสามให้แจ้งในชาติก่อนๆแล้วทั้งนั้นถ้าท่านปฏิบัติภาวนา <c oughs> จนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งท่านจะรู้เลยว่าไม่มีทางที่จิตจะหยุดภายใต้กามสุกานิกานวิโย <c oughs> อย่าลืมว่าผลมาจากเหตุถ้าเหตุยังเขยา่าผลยังเขยา่าต่อให้ไม่เข้าไปยึดถือนะมาในชาตินี้ได้กระทาความประพฤติและความปฏิบัติให้บริสุทธิ์ซ้ำอีกจึงจะสาเร็จนิพพานได้เปรียบเหมือนนายขมังธนูผู้ฉลาดได้ฝึกธนูไว้ก่อนแล้ว ครั้งเข้าไปในเขพระราชฐานก็ยิงธนูถวายได้อย่างแม่นยำแล้วก็ได้พระราชทานรางวัลเป็นอันมากฉะนั้นผู้ไม่ทำทุดงเอาไว้เมื่อชาติก่อนย่อมไม่สาเร็จอราหาันตะผลในชาตินี้ก็จะสาเร็จเฉพาะโสดาปฏิผลเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งผู้ได้กระทําทุดงส3าไว้ชาติก่อนมาชำนาญแล้วมาชาตินี้ได้อบรมความประพฤตและปฏิบัติซ้าอีกเพื่อให้แจ้งซึ่งปรนิพานได้ เหมือนกับแพทย์ที่เรียนชำนิชำนาญในอาจารย์มาแล้วก็รักษาโรคได้ดีฉะนั้นเอาง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรซับซ้อนหรือว่าไปคิดถึงอะไรให้มากเอาตัวเราเป็นที่ตั้งถ้าท่านไปอยู่ป่าเอาละสมมติว่าท่านไปอยู่ป่าที่เกาะอร่วยจริงๆปีหนึ่ง ให้ท่านอยู่บนนั้นอ่ะปีหนึ่งหยุดการติดต่อจากทุกอย่างนะจะบอกว่าบวชก็ได้อ่ะไปบวชปีหนึ่งหยุดการติดต่อทุกอย่างอยู่ในข้อวัดแล้วก็ปฏิบัติไปท่านว่าท่านจะสงบไหมแน่ใจอ่ะแน่ใจอ่ะของที่ติดติดไว้คิดว่าจะสงบเหรอของที่ยังห่วงกังวลคิดว่าจะอยู่สงบเหรอ ไปลองดูสิไปลองดูจริงๆแล้วท่านจะเห็นเองไม่พลาดเมื่อไหร่ไม่รู้อย่าลืมนะไว้นี่ตายแน่ถ้าถึงวันพลาดนะ่ะพลาดของจริงเลยพลาดแบบไม่ได้หมุนกลับด้วยนี่ผมแค่บอกปีเดียวนะไอ้นี่คือไปทาวนเลยนะคิดว่าจะหยุด คิดว่าจะสงบเหรอถ้าแค่ปีหนึ่งสองปีห้าปีอยู่อยู่แค่นะทากิจทาหน้าที่ตามตามข้อวัดปฏิบัติไปยอยู่ําไม่ต้องทำอะไรมากทำความจะายสำนักถือบาทลงไปมีชาวบ้านใส่ให้ชันอยู่แล้วขึ้นมาจบแล้วก็ทำข้อวัดไป วันนี้มีชาวต่างชาติสนใจการปฏิบัติอยู่ไหมไม่อยู่แรมัไปล้มัไปแล้วก็มีคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วเขาก็บอกเขาไม่รู้จะสอนยังไงก็เลยพามาพบผมเขาก็ถามเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาก็ฝึกอยู่กับลมหายใจผมบอกอืม ยูก็ฝึกอยู่กับลมหายใจไปแล้วยังไงต่อไอคิดอยู่เรื่อยเลยมผมก็เลยเปิดไฟฉายเปิดไฟของโทรศัพท์แล้วก็ทําให้ก็ดูตอนที่อยู่ อ, อ, อยู่กับลมหายใจถูกไห ม, มเดี๋ยวเดี๋ยวยูได้คิดถูกไห ม, มผมก็ไฟฉายไฟฉายที่ ท, ที่คิดนะถูกไห ม, อมตอนที่คิดไม่รู้ลมถูกไห ม, มจากนั้นอยู่ก็มีสติแล้วอยู่ก็บอกว่าอืม เฮ้ยแล้วเรากลับมารู้ลมถูกไห ม, อมตอนที่รู้ลมไม่ได้คิดใช่ไหมใช่แล้วตอนที่คิดไม่รู้ลมถูกไหมถูกอืมแล้วทําในต่อเขาก็บอกเขาทาอยู่อย่างเงี้ยแล้วทำไงต่ อ, อ, อ, อ, ตอผมบอกไม่ได้ทําในต่อทําอย่างเงี้ยแต่เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่นี่เป้าหมายอยู่ที่ขณะที่อยู่เผลอไปคิดแล้วก็ กลับมาอยู่กับลมอยู่เห็นไหมว่าความคิดดับลงไปใช่ความคิดอ u n รีย l ไม่ใช่ของจริงใช่ความคิดไม่ใช่ของจริงแล้วสังเกตไหมว่าหลายครั้งที่เรานั่งคิดเราเราเป็นสุขเป็นทุกข์เรากําลังสุขทุกข์กับของไม่จริงใช่ไหม ใช่เราสุขทุกข์ไปกับของไม่จริงเราหลงเข้าไปในความคิดเราเริ่มจากเราไปแคทชิ่งความคิดจากนั้นเราเก็ i อินทูอิใช่อยู่เข้าใจแล้วจากนั้นเราเริ่มเกิดอีโมชันอืมเพราะฉะนั้นพอเรากลับมาอยู่กับลมหายใจสิ่งนี้หายไป แสดงว่าสิ่งนี้ไม่จริงเขอืมถ้างั้นยากนะผมบอกว่าพักคำนี้ไว้ก่อนที่อยู่บอกว่ายากนะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหมดคุ้นเคยเป็นอินสติ้์ถูกไหม เป็นสัญชาตญาณที่เราทำกันมาแบบนี้ อ, อยู่จินตนาการไปในอนาคตถ้าอยู่ฝึกแบบเนี้ยจนกระทั่งมันเปลี่ยนข้างละอยู่มาชินในฝั่งที่ไม่หลงไปในความคิดแล้วให้อยู่กลับมาคิดใหม่อยู่จะรู้สึกว่ากลับมาคิดไม่ไหวอะยาก <c oughs> เออใช่ ถ้าอย่างนั้นต้องทาไงผมบอกถ้าอย่างนั้นต้องแฏิบัติเพราะมันไม่ใช่ขึ้นมาจากความเข้าใจแต่มันมาจากการที่จะต้องฝึกจนกระทั่งเข้าไปคุ้นกับของมันมันก็เลยเออใช่ผมบอกลุกขึ้นเดินตามผมมานี่แล้วผมก็เปลี่ยนเป็นเดินคุยกัน ยกนิ้วขวาขึ้นยกเลยโบกนี่คือถ้าใครเห็นผมเมื่อกี้ผมอาจจะกำลังยืนสอนเขาก็อาจจะยืนโบกอยู่หน้าตึกศูนย์สองผมถามเขาว่าอยู่รู้สึกถึงทางงานที่มันมูฟเมนต์ไหมเขาบอกรู้สึกผมบอกให้หลับตารู้สึกไหมรู้สึกเอาแขนไปไว้ข้างหลังลืมตารู้สึกไหมรู้สึกหลับตารู้สึ ก, สกเอาละนะ หจากนี้เราจะเดินคุยกันอยู่ทําความรู้สึกที่การเคลื่อนทั้งหมดของการเคลื่อนไปของบอดดี้จากนั้น ก, ก็เริ่มเดินขึ้นไปทีนี้เดินมันเดินเป็นขุดยนต์เลยเหมือนจะลม้มนะผมบอกว่าสบายๆนะอากาศเย็นสบายรู้สึกไหมนะเดินไปเดินคุยกันเดินคุยกันรู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างไม่เป็นไรทําไมต้องรู้สึกรู้ไหม ถ้าไม่รู้สึกอยู่จะคิดถูกไหมเพราะเราคุ้นเคยกับการคิดถ้าอยู่ไม่มารู้สึกตรงนี้อยู่จะเผลอคิดแล้วเมื่ออยู่เผลอคิดอยู่จะเข้าไปในโลกความคิดเมื่ออยู่เข้าไปในโลกความคิดอยู่จะกลายเป็นความคิดหลังจากนั้นอยู่จะเป็นสุขเป็นทุกข์ไปกับความคิดทั้งทั้งที่มันไม่จริงเข้าใจยังเข้าใจแล้วแล้วทําในต่อไปทําอย่างนี้อีกห้าปี นะแล้วค่อยมาคุยกันไปไปทำมาอีกห้าปีความจริงทำมากต้องการแค่นี้ทีหลังบอกยื้อพูดเปิดคอร์สวันเดียวก็พอแล้วก็กลับไปทำห้าปีแล้วก็ค่อยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องมาเข้าทุกคอร์สแบบนี้เราคนอื่นไม่ได้เข้าขอถวายประพรพักวเครือห่าย ผู้ทําให้แจ้งซึ่งนิพพานทั้งสิน้นล้วนได้กระทําทุดงกคุณ13าให้แจ้งในชาติก่อนๆแล้วทั้งนั้นมาในชาตินี้ได้กระทําความประพฤติและความปฏิบัติให้บริสุทธิ์ซ้ำอีกจึงจะสําเร็จนิพพานได้เอาล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่เคยพลากออกมาจากอะไรเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะพลากแล้วมันจะหยุดผมถึงบอกว่าแค่ให้ท่านลองไปอยู่ที่ไหนก็ได้ ดูสิท่านจะกระสับกระส่ายแค่ไหนความรู้ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยถ้าจะช่วยเอาตัวไม่รอดเลยความรู้ทั่วบัวเาตัวไม่รอดนะลองดนะูขนาดแค่พาคไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีถ้าไปไม่รอดตอนที่พากทั้งชีวิตจะเอาอะไรรอดไปไม่รอดหรอกนะอ่ะตัวเห็นก็ตายกันได้ทุกคนเนี่ยไม่เห็นมีปัญหาเลยอาจารย์ตายกันได้ทุกคนเลย ถ, ถูกแล้วถูกแล้วตายกันได้ทุกคนเพราะคนที่ตายไม่ใช่คนที่อยากตายหรือไม่อยากตายปัญหามันอยู่ที่ตายกายมันแตกทาลายอยู่แล้วปัญหามันอยู่ที่ตอนไปแล้วมันก็แวบแล้วก็เงียบไปเลยมีโอกาสกลับมาบอกเลย ว, ว่าแม่ทุกข์มากเลยพ่อทุกข์มากฉันทุกข์มากเลยฉันไม่อยากไปเลยยิ่งกูบาดเจ็บตายคาที่อย่างเงี้ยนะ ถ้าทุดงที่ผมเล่าให้ฟังคือท่านท่านฟังทาผมทาง u t u b e เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะบวชจนกระทั่งท่านตัดสินใจขายทรัพย์สินทั้งหมดแล้วก็ออกบวชอยู่ในไปอยู่วัดป่าที่หนึ่งที่สิแถวสกลนครหลังจากนั้นท่านก็อยู่กับครูบาอาจารย์มาห้าปี แล้วก็เริ่มออกเดินทุดงลงเองด้วยตัวเองท่านก็เดินจากสกลนครลงมาที่สีชนสวนยินนีทะเลเพื่อจะมาหาผมแต่พอเอิญผมไปเปิดคอส ท, ที่ต่างประเทศจึงไม่ได้เจอกับท่านแล้วก็มาพบกับท่านในวันหลังท่านเดินต่อไปที่วัดหลวงพ่อเอียนก็จึงไปเจอก็จึงมีโอกาสได้นั่งคุยกันท่านก็บอกว่าเดินลงมาจากสกลนครก็เลาะมาเรื่อยๆ ประมาณสองพันกิโลก็เพียงแต่ต้องการจะไม่ได้สงสัยอะไรไม่ได้จะถามอะไรอาจารย์เลยแต่อยากจะมาบอกว่าแค่นั้นแ่ละแล้วท่านก็บอกผมว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ทาได้สร้างคุณูปการให้กับพุทธศาสนาเป็นอันมากมีผู้คนจำนวนมากทั้งที่อาจารย์รู้แล้วไม่รู้เนี่ยที่ฟังแล้วก็ได้ประโยชน์มากมายแม้แต่วันนี้ที่เดินทุดดงสอนผู้คนก็ใช้คาสอนของอาจารย์เท่านั้น มันเป็นคำสอนที่กั้นกรองมาแล้วไม่ต้องมาคิดอีกคิดซ้ำอีกใช้คำของอาจารย์ต้องๆอ อ, ออกไปเลยทุกคนเข้าใจหมดเลยตลอดเส้นทางที่ทุตรงผ่านมาก็เพียงแต่จะมาบอกเฉยๆจากนั้นก็เลยนั่งคุยกันท่านก็เลยใช้คำว่าผมท่านก็บอกผมว่าผมไม่ใช้คำว่าอาตมาหรืออะไรทั้งสิ้นนะผมขอเรียกตัวเองว่าผมเพราะว่าผมถือว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ของผม ตั้งแต่วันที่ยังเป็นคารวาสจนถึงวันนี้ถึงจะบวชแล้วก็ตามจากทั้งท่านก็เล่าให้ผมฟังถึงอดีตถึงประวัติของท่านผมจะเล่าแค่บางส่วนอาเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ท่านก็บอกว่าก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยท่านอยู่กับผีมาตลอดชีวิตของท่านแทบจะไม่ได้อยู่กับคนเลยท่านอยู่กับผีมาตลอดท่านก็ขยายความสิ่งที่ท่านพูด คือคำว่าที่ผมบอกว่าผมอยู่กับผีเนี่ยที่ท่านบอกเนี่ยท่านบอกว่าชีวิตของผมอยู่กับผีก็คือผมเห็นผีผมอยู่กับผีทุกที่เลยผมไม่ได้มาเข้าชงเข้าฌานอะไรเพื่อให้เห็นพบปู่อื่นแต่ผมเห็นเองโดยอัตโนมัตินั่งคุยกันอยู่ที่ผมก็เห็นหมดคือผมเห็นผีตลอดเวลาผมเห็นตลอดเวลาคือมันเกิดไป คืถ้าเราจะบอกว่าเกิดทะลุมิติกันก็คือท่านเห็นตลอดเวลาเท่านั้นนะเรื่องของเรื่องทีนี้ท่านก็เลยเริ่มถามอะไรบางอย่างผมอาจจะเป็นข้อสงสัยหรืออยากจะถามเฉยๆก็แล้วแต่เพราะนั่งคุยวันนั้นกนั่งคุยกันหลายชั่วโมงทีเดียวนั่งคุยกันจนท่านบอกว่าท่านไม่ได้ฉันข้าวท่านริืมฉันข้าวไปเลยตอนนั้นท่านก็เลยพูดยิ้มๆแต่ท่านไม่ได้บอกผมท่านฝากชีมาเพราฝากบอกอาจารย์ประเสริฐด้วยวันนั้น คุยกันออกรถออกชาติมากลืมฉันข้าวไปเลยเขาคุยกันเสร็จก็บ่ายโมงแล้วผมไม่รู้ว่าท่านฉันแล้วก็เลยนิมนต์ท่านมานั่งคุยท่านก็ถามว่าอาจารย์สามสิเอ็ดภพภูมิที่พระพุทธเจ้าตรัสแบ่งกันตรงไหนผมก็เลยถามท่านว่าท่านหมายถึงหมา ย, มวายาความว่ายังไงคําว่าแบ่งกันตรงไหนท่านก็บอกว่าที่ผมเห็นเนี่ย ผมแยกไม่ออกเลยว่าใครคือภูมิอะไรผมบอกอ๋อแบ่งกันที่ทุกข์ถ้ากายละเอียดดูเหมือนกันแบ่งกันที่ทุกข์ในใจแต่มันจะมีบาปกรรมชั่วที่ทำต่างกันจะแยกสรีระร่างกายให้ออกไปอีกแบบอีกแนวนึง แต่ที่ท่านเห็นแบ่งกันที่ทุกข์เช่นเทวดาท่านก็เห็นผีเปรตสุรกายท่านก็เห็นเป็นผีหมดทั้งหมดมีความทุกข์ที่แตกต่างกันเหมือนคนในโลกบ้างก็ทุกข์ บ้างก็สุขบ้างก็รวยบ้างก็จนบ้างก็ขอทานบ้างก็เศรษฐีเพราะฉะนั้นกรรมเป็นคนจําแนกแจกแจงความละเอียดพรณีท่านก็ เ, าเจากนั้นท่านก็ถามผมว่าทำไมวันนั้นขณะที่ผมกําลังเดินอยู่ข้างถาง ผมเห็นรถชนผู้ชายคนหนึ่งโคลมผู้ชายคนนั้นลม้มลงเลือดอาบขาหักแล้วก็ตายคาที่เลยจากนั้นเขาก็กลับขึ้นมาแต่ผีนะแล้วก็แต่งชุดเดิมเลือดอาบเดินขาเป๋ ที่สําคัญคือยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองตายอาจารย์ข้อที่หนึ่งคืออาจารย์ว่าเมื่อมันจบภพบภูมนุษย์แล้วเนี่ยเข้าสู่ภพภูใหม่กายละเอียดถูกไหมที่เป็นโอปปาติกะเนี่ยบอกใช่ทำไมยังขาเป ในเมื่อไม่มีกายอยาเอาละสองทำไมยังแต่งชุดเดิมแล้วมีเลือดติดมาด้วยผมบอกโอ้โหง่ายมากเลยง่ายมากเลยวันนี้คนในโลกเนี่ยถ้ามีใครสักคนอกหัก แล้วเลิกกับแฟนแฟนไปยังไปแล้วยังทุกอยู่ไหมทุกทุกทำไมเขาไปแล้วยังจมเศร้าอยู่กับเรื่องเดิมไหมจมโทรศัพท์ดาใครทะเลาะกับใครจบแล้ววางหูแล้ววางไปแล้วเสียงมีอไหมไม่มีทุกมาจากไหนมาจากค้างอยู่ในใจนี่เนี่ยแล้วท่านว่ามันสร้างมาจากอะไรละ่ะเนี่ย วินาทีก่อนตายเนี่ยโคลมแต่งชุดไหนก็ยึดมั่นถือมั่นใส่เข้าไปในจิตกันหมดเพราะว่าท่านสร้างภพเอาไว้หมดขาก็ตามไปเป๋ด้วยเลือดที่ติดในหยดสุดท้ายของวินาทีสุดท้ายของชาติที่แล้วก็เอาไปด้วยในจิตก็ไปกอดกายละเอียดขึ้นมาของเดิมเด้ะเลย แล้วก็ไปเดินขาเป๋เป็นผียังไปเดินขาเป๋ีกดูสิโง่ไม่ง่อเนี่ยโง่ไม่ง่อเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตรงนี้ที่ท่านถามเนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายท่านคิดว่าเขาจะพ้นทุกข์เหรอเอาละงานนี้ยุ่งละเอาทุกข์นอกจากเอาไปด้วยแล้วทีนี้ออกไม่ได้เลยแล้วถ้าวินาทีก่อนตายมันเต็มไปด้วยทุกข์จะเหมือนคนดีไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะ งานเข้าล่ะทีเนี้ยอย่านึกว่ามันจบที่บนเตียงไอซูนะทีนี้มันอยู่กันแบบไม่มีใครบอกแล้วนะไอนี่ทุกข์มันยังมานั่งเข้าคอร์สใช่ไอนุนทุกข์กันเรียกว่าฝันลายไม่มีวันตื่นเคยฝันลายไหะผมนี่เคยฝันลายครั้งหนึ่งฝันล้วจริงๆวันนั้นไม่รู้เป็นอะไรฝันลายแบบเงื้อเงือแตกทั้งตัวเลยตื่นขึ้นมาบอกเฮืกฮ่าเฮือกฮ่เลยเหนื่อยแบบ วิ่งหนีคนจะฆ่าผมจำได้เลยสมัยนู้นตานมาแล้วผมดีใจจริงๆที่ตื่นขึ้นมาผมรู้สึกอย่างนั้นเลยผมดีใจจริงๆที่ตื่นขึ้นมาแล้วมันแวบกลับเลยแล้วท่าไม่ตื่นนะผมแวบขึ้นมาเลยรู้แล้วนรกน่ากลัวอย่างนี้นี่เองคือมันน่ากลัวแล้วไม่มีวันตื่นมันน่ากลัวที่ไม่มีวันตื่น วันนี้ทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยเราตื่นทุกครั้งนะเราจะเหนื่อยไปแต่งานแค่ไหนเช้ามาเราตื่นเราจะอะไรเราตื่นเราเหสือนอยู่ในคอร์ส่ะเดี๋ยวมีวันที่เจ็ดนะคือทุกอย่างมันมีวันที่เราจบจบในภพในชาตินั้นทุกทีในในภพนี้แต่หลังจากนี้เนี่ยมันจะลากยาวละมันจะลากยาวละ มันมีวันจบทุกครั้งเราถึงแบบเอเอเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมก็ผ่านทีนี้แหละเวลาทุกในสัตว์นรกก็ดีในเปรตก็ดีในอสุรกายก็ดีในคนฆ่าตัวตายก็ดีในคนที่ตายด้วยความทุกข์ก็ดีเนี่ยโอ้โหมันจะยาวเหยียดดับหาปลายไม่เจอเลยคือเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกแต่มันไม่เคยพ้นเลยเหมือนคนบงังคับให้ท่านวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ ง, งแต่ไม่มีที่จบอ่ะอยเหนื่อยแล้วนะไม่ไหวแล้วนะ ไม่มีที่จบวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปจะวิ่งไปถึงไม่มีจบจนขาดใจตายพักเกิดใหม่ตายพักเกิดใหม่ตายพักเกิดให ม, หม่แล้วก็วิ่งต่อเลยนี่นรกมันน่ากลัวตรงนี้แหละมันไม่ไดน่ากลัวตรงไหนพระเจ้าถึงออกอย่าให้ตาถามก็ต้องตัดเลยว่าในภูมิที่ต่ํากว่ามนุษย์เนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนเพราะนั้นอย่างแรกที่ต้องหยุดทําเลยคือบาปชั่วอกุศล ออกไปเนี่ยนะท่านจะปฏิบัติอะไรไม่ปฏิบัติอะไรผมไม่รู้ละแต่วันนี้มีโอกาสได้เจอกันจํำไว้เลยว่าบาปชั่วกุศลอย่าทําอีกนะหลุดลงไปเมื่อไหร่ล้ะไม่มีใครใครก็ช่วยใครไม่ได้นะมีแต่ตัวเองที่ต้องพลิกจิตเอาเองแล้วขณะที่ตอนนี้ยังพลิกไม่ได้นะตอนนั้นอยากลิกพลิกไม่มีทางพิกพลิกไม่ได้นี่คือคําถามอีกคําถามาที่ท่านถามผมนอก น, นั้นท่านก็เล่า ผมก็จำไม่ไ่ได้แล้วล่ะผมก็ไม่ไม่ได้อะไรมากก็คุยกันเยอะเรื่องมากแต่ท่านก็เล่าครั้งหนึ่งท่านบอกว่ามีครั้งหนึ่งอาจารย์เจอแต่งสบายนะที่เขาบอกว่าเคยเห็นคนผู้หญิงแต่งสบายมีจริงจริงเขาบกของพี่จริงๆงไม่เด็กก็พูดจะเล่นเล่นเป็นนลนะ้วเนี่จริงจริงแต่งสบายสีเขียวสีแดงอะไรเนี่ยก็ท่านก็ถามบอกว่ า, วาทาไมจะไม่มีอาจารย์ พวกนี้เนี่ยตายไมั้งแยุคไหนๆแล้วด้วยความที่โอปปาติกะเนี่ยอายุยืนมากสมมติตายไม่ั้งแยุทธยาตาย้สุขโขทยัยตายตั้งะอะไรเนี่ยก็ยังอยู่กันนั่นผมยังไปเจอนะวันนั้นเนี่ยตั้งอยู่กับพระลูกสองคนแต่งสบใบมาถวายสังฆทานนะมาถวายสังฆทานเพราะว่าจะไปไปเกิดแล้วมาถวายสังฆทาน ผมก็ยังนั่งอยู่พระท่านก็รับก็แสดงว่าพระก็มีอปิญญาเหมือนกันก็รับให้รับให้สองคนนะั้นพอรับเสร็จท่านก็เลยถามพระรูปนั้นว่าโอ้วันนี้มีมาถวายสังฆทานสองเลยเหรอนท่านบอกไม่มาสี่ท่านก็เึยบอกพระรูปนั้นว่าผมไม่เห็นแค่สองเองนะก็ทีท่านไม่เห็นมีอีกสอง ก็อาจจะอยู่ในอรูปประชานหรื อ, อรูปประมซึ่งไม่มีรูปแล้วพอหมดบุญก็ไปกันหมดท่านบอกว่าที่ผมเห็นผีเนี่ยนะผมไม่ได้รู้สึกกลัวหรือรู้สึกอะไรจะปรงสังเวชอะไรทั้งสิ้นเลยแต่การที่ผมได้เห็นผีอย่างนี้แล้วเข้ามาบวชเนี่ยผมรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือว่าตั้งแต่ตอนผมเป็นคารวะเนี่ยแล้วผมอยู่กับผีมาตลอดแล้วก็เห็นมาตลอดทั้งชีวิตผมไม่เห็นสาระของชีวิตเลย ทำทุกอย่างแทบจะเป็นแทบจะตายกันทุกคนสุดท้ายจบแล้วก็ไปล่องรอยอยู่อย่างเงี้ยทาดีก็ไปนั่งเป็นผมก็ไปเจอพ่อปู่ทั้งหลายที่เป็นนั่งเป็นพ่อปู่ฤษีท่านก็เรียกพ่อปู่ฤษีเ <c oughs> ป็นนั่งมีคนกราบไหว้บ้างนีอะไรบ้างท่านก็บอกว่าพ่อปู่ฤษีมันนั่งให้คนกราบไหว้แล้วก็ปื้มปืมอย่างเงี้ยอีกสามร้อยปีข้างหน้าตายอีก แล้วเดี๋ยวก็ไปเกิดเป็นมนุษย์พอไปเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้สงครามโลกมันวี่นหน้าสันตโลแล้วอีกสามร้อยปีข้างหน้าถึงตอนนั้นลำบากมากๆจะบอกให้พ่อปู่จะไปทำอะไรก็ไปทำให้มันพ้นๆไปมันนั่งในเขาว่าอยู่นั่นน่ะผมก็ถามแล้วพ่อปู่ว่าไงขนมพ่อปู่เขาไปว่าไหมหน้ากันด่างผมก็ไปของผมต่อ นี่คือสิ่งที่ท่านพูดท่านไม่เห็นสาระอะไรเลยของการเวียนว่ายตายเกิดแต่ผู้คนทั้งหลายหมกบุ่นจะเอาชีวิตเข้าแลกกับการทำบาป ท, ทำชั่วเพื่อให้ได้เศษตังค์แล้วได้เศษตังค์มาเพื่ออะไรมาซื้อของที่แพงขึ้นกระเป๋าไปหนึ่งร้ไปโกงเข้ามาได้เศษตังค์ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นหลุยวิตตองห้าหมื่นบาทได้จากเงินที่โกงมา ปอโกงมาได้มากขึ้นคอรัปชั่นมากขึ้นได้เป็นล้านก็ไปซื้อแอนเนทซึ่งคุณสมบัติของกระเป๋าทุกใบแค่ใส่ของได้เท่ากันหมดแต่ต้องยอมทำบาปทำชั่วทำอกุศลต่อให้ทำทุกอย่างไม่ต้องบาปชั่วอกุศลก็เหนื่อยทั้งชีวิตจนกระทั่งพออายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบไม่ไหวจะตะบันน้ำอยู่แล้วนะก็ถึงจะมาสมัครเข้าคอร์สเพราะฉะนั้น <laughs> ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตไม่เคยอยู่ในการภาวนาเลยแต่ผมไม่ได้ว่าท่านนะไม่ได้ว่าท่านหรื ว, ว่าใครวะเนี่ยนะให้ผมพูดให้ฟังให้คนทางบ้านฟังเพราะเดี๋ยวนี้เขากาลังกระจายออกไปไไพูดให้ฟังเกิดพระท่านพูดท่านพูดพระท่านพูดเพระาพพระฉะนั้นก็เห็นความจริงเนี่ยท่านเห็นความจริงท่านถึงไม่เอาอีกแล้วท่านไม่เอาแล้วไปดีกว่า หายหมดทรัพย์สงทรัพย์สินท่านบอกว่าสมัยที่ท่านเป็นคารวาสเนี่ยด้วยความที่ท่านมีทรัพย์สินก็คือมีบ้านเช่าให้ฝรั่งเช่าที่ภูเก็ตท่านบอกวันวันไม่ต้องทําอะไรเลยก็มันจะไปทําอะไรเลยพวกเจ้าของบ้านเช่ามันต้องทํำอะไรใช่ไหมท่านมีเวลาว่างมากท่านบอกว่าวันวันหนึ่งท่านไม่ทําอะไรเลยท่านดูยูทูบอย่างเดียวฟังของผมเนี่ยฟังฟังฟังฟังฟังฟังเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะอาจารย์พูดเยอะจริงๆผมไม่ได้พูดเยอะหรอกแต่ว่าคนมันตัดกันลงเยอะ นะฟังฟังฟังอาจารย์เนี่ยฟังเป็นเดือนเดือนนที่บอกว่าพังประตูคุกก็ดีอะไรก็ดีที่ไฟลูกกลางหอทําเนี่ยอาจารย์บรรยายห้าวันผมฟังวันเดียวจบวันเดียวจบฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกทุกชุดทุกชุดทุกชุดเนี่ยจนบวชเลยคือฟังจนบวชกันไปเลยล่ะนะไม่อยู่แล้วก็ถ้าอย่างนี้จะไปอยู่ทําอะไรอีกไม่อยู่แล้วก็เห็นแล้วมันไม่มีอะไรเลยไร้สาระสุดๆนะ ไรสาระสุดๆนิทานเรื่องหนึง่งฟังเหมือนไรสาระเลยแต่ลองฟังดูผู้ชายคนหนึ่งเป็นเศรษฐีอาศัยวันพักผ่อนอายุ65ปีไปนั่งตกปลาอยู่ต่างจังหวัด ไปพบเด็กหนุ่มอายุยี่สิบห้ากำลังนั่งตกปลาผู้ชายคนนั้นนั่งดูเด็กหนุ่มตกปลาตัวเองก็นั่งตกปลาแล้วก็บอกว่าไอ้นมมาตกปลาที่นี่ทุกวันเลยใช่ครับอืแล้วไม่ทํามา ก, กินแหละก็ไม่ทำอะไรก็นี่มาตกปลาแล้วก็กลับไปกินที่บ้านแล้วได้วันกี่ตัวสามสี่ตัวก็พอแล้วก็หอกิน อเอาอย่างนี้ดิแทนที่จะตกแค่สามสี่ตัวตกทั้งวันเลยให้มันได้เป็นสิบสิบตัวเขาถามเราไปทำอะไรก่อที่เหลือไปขายจะได้ได้เงินอืแล้วพอได้เงินนะมันก็ไปจ้างคนมาตกอีกแล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปซื้อเรือตกตรงเนี้ยตัวไม่ใหญ่ ถ้าออกเรือไปเนี่ยตัวใหญ่ๆกว่านี้อมเด็กหนุ่มก็ฟังอืมฟังดูถ้าออกเรือไปประตกตัวได้ใหญ่ก็เอากลับมาขายขายปั๊บก็เริ่มซื้อเรือเพิ่มแล้วก็จ้างคนมาแล้วก็ออกไปไหลายๆลำได้เงินทีนี้ได้เยอะเลยจากนั้นก็เปลี่ยนเรือให้ลำใหญ่ขึ้นพอมีกําไรมากขึ้นทําเรือให้ใหญ่ขึ้น เ้าก็จ้างหลายๆคนขึ้นมาทีนี้ออกลากวนเลยโอ้ oh. ส่งออกต่างประเทศเข้าห้องเย็น oh. ได้เงินวัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็เริ่มสร้างกองเรือขึ้นมาเด็กก็นั่งฟั ง, ปงไปเรื่อยแล้วยังไงพอได้เงินมากๆพตอนนั้นก็อายุ60 65อย่างอย่างลุงเนี่ยแล้วก็มาพักผ่อน อเด็กแล้วก็เนี่ยมาหาความสุขเนี่ยมาหาความสุขตอนหกสิบห้าเนี่ย ห, หาได้ไม่กี่ปีเองนะแล้วก็ตายเลยผมเนี่ยยี่ห้าผมมีความสุขทุกวันเลย <c oughs> เป็้ลุงนั้นเงียบ ผมมีความสุขทุกวันเลยเอาละนะสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้นะมันก็เลยจุดที่จะถอยหลังกลับกันแล้วเพราะฉะนั้นก็รีบทำให้จบก่อนที่มันจะจบเรานะเชน